ทุกในอริยสัตว์แยกให้ชัดจากทุกในไตรลักษ์ข้อที่สองไตรลักษ์มีสามไม่ใช่แค่ทุกและทั้งสามเป็นฐานของทุกในอริยสัตว์ได้บอกแล้วว่าทุกในไตรลักษ์คือลักษณะหรืออาการที่ปัจจัยต่างๆขัดแย้งกันกดอัดบีบคั้นทาให้คงทนอยู่ไม่ได้นั้น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 และเป็นอนัตตาแล้วที่จากไตรลักษณ์ไปเกิดเป็นทุกข์ในอริยสัจก็ไม่ใช่แค่จากทุกข์ในไตรลักษณ์ไปเป็นทุกข์ในอริยสัจแต่ที่จริงคือจากไตรลักษ์ครบสามทั้งอนิจจาทุกขาและอนัตตาไปเป็นตัวตั้งให้คนที่รู้ไม่ทันมันก่อเป็นทุกข์ในอริยสัจขึ้นมา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 ก็ถามต่อไปว่าแล้วเมื่อไรละ่ะเบนจะขันหรือขันห้าจึงจะมาเป็นทุกข์ในอริยสัจก็ตอบว่าเมื่อมันกลายเป็นเบนจากอุปท า, านนัขันหรือเป็นอุปท า, านัขันห้าอุปท า, านัขันห้าคืออะไรก็คือขันห้าที่มีอุปท า, านยึดถือยึดครอง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 เมื่อได้ความเข้าใจเป็นพื้นฐานที่จะมองแล้วก็มาศึกษาพุทธพทธจน์ที่ตรัสในเรื่องนี้เริ่มตั้งแต่ดูความแตกต่างระหว่างขันห้ากับอุปาทานะขันห้าซึ่งเคยแสดงไว้บท ว, ว่าด้วยขันห้าขอยกมาดูอีกครั้งหนึ่งดังนี้ภิกษุทั้งหลายรอจะแสดงขันห้าและอุปาทานขันห้าเธอทั้งหลายจงฟัง ขันหเป็นไฉนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันใดอันหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในก็ตามภายนอกก็ตามหยาบ ก, ก็ตามละเอียดก็ตามสามก็ตามประณีต ก, ก็ตามไกลหรือใกล้ก็ตามเหล่านี้เรียกว่าขันห้า อุปาทานขันห้าเป็นชไหนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันใดอันหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในก็ตามภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามสามก็ตามประณีตก็ตามไกลหรือใกล้ก็ตามที่ประกอบด้วยอาสวะคือสาสวะเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน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 ตัวอย่างที่ตรัสถึงขันห้าตามหลักไตรลักษ์ภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงคือเป็นอนิจจงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายรูปปัจจัยบีบคั้นคงสภาพอยู่ไม่ได้คือเป็นทุกข์ เวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายวิญญาณปัจจัยบีบคั้นคงสภาพอยู่ไม่ได้ภิกษุทั้งหลายรูปไม่เป็นตัวตนคืออนัตตาเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายวิญญาณไม่เป็นตัวตนอริยสาวกผู้ใดเรียนรู้เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญา แม้ในสังขารทั้งหลายแม้ในวิญญาณเมื่อหายติดคือนิพพิธายอมคลายออกคือวิราคาเพราะคลายออกยอมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นยอมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วยอมรู้ชัดว่าสิ้นกำเนิดจบมรรคาชีวิตประเสริฐคือจบรมจันทร์เจ็จกรณีไม่มีกิจอื่นอีก เพื่อภาวะเช่นนี้พอรู้เข้าใจเบญจขันธ์หรือบรรดาสังขารตามหลักไตรลักษ์อย่างนี้เห็นความจริงชัดแล้วก็ไม่เกิดเป็นอุปาทานนัขันขึ้นมาหรือเลิกเป็นอุปาทานนัขันแต่ตรงกันข้ามกลายเป็นหลุดพ้นอิสระหมดปัญหาสว่างสดใสเบิกบานไม่เกิดมีทุกข์อีกต่อไป ผู้ที่เคยสวดหรือฟังพระสูตรหมุนธรรมจักที่ทรงแสดงอริยสัจส์่แก่เบญจาวัคคีคงจำได้หรือนึกออกว่าพระพุทธเจ้าตรัสความหมายของอริย ส, ส, สัจข้อที่หนึ่งคือทุกข์ค่อนข้างยาวแล้วเราก็ถือกันเป็นหลักทํานองคำจำกัดความของทุกขอริย ส, สัจนั้นว่าภิกษุทั้งหลายก็นิลคือทุกขอริย ส, สัจความเกิดก็เป็นทุกข์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 คำสรุปความหมายตอนลงท้ายที่ว่าโดยย่ออุปาทานนักขันห้าเป็นทุกข์คือสังขิตเตนะปัญจุปาทานัขันธาทุกขาตรงนี้เป็นสาระสาคัญคือที่ว่านั่นก็ทุกนี่ก็ทุกนั้นรวมความแล้วก็อยู่แค่ที่ว่าอุปาทานนักขันห้าเป็นทุกข์แล้วก็ให้สังเกตต่ตอไปอีกว่า พระธรรมจักที่ทรงแสดงแก่เบญจวัคคีนั้นเป็นปฐมเทศนาไม่เคยมีใครได้ฟังมาก่อนพูดง่ายๆว่าผู้ฟังไม่มีพื้นมาเลยที่จะรู้จักแม้แต่คำว่าทุกในความหมายของพระพุทธศาสนาที่นี้จะขอให้เทียบกับพระสูตรที่ทรงแสดงอริยสัจในเวลาต่อมาครั้งหนึ่งเมื่อประทับที่เมืองสาวัตถี ซึ่งแสดงว่านานหลังจากปฐมเทศนาพระพุทธเจ้าตรัสอริยสัจครบทั้งหมดแก่พระภิกษุในข้อนี้แสดงว่าผู้ฟังมีพื้นจะยกมาให้ดูว่าพระองค์ตรัสความหมายของทุกตรงไปที่อุปาทานคักขันห้าอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงทุก ทุกขะสมุทยัยทุกขะนิโรธและทุกขนิโรธค า, ามินีปฏิปทาแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังภิกษุทั้งหลายก็ทุกเป็นชนะไหนทุกนั้นพึงกล่าวว่าคืออุปาทานนขันห้าอุปาทานขันห้าเป็นชนะไหนคือรูปอุปาทานนขันหนึ่งเวทนาอุปาทานนขันหนึ่ง สัญญาอุปาทานขันหนึ่งสังขารอุปาทานขันหนึ่งวิญญาณอุปาทานขันหนึ่งพิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกข์พิกษุทั้งหลายก็ทุกข์สมุทัยเป็นไฉนะคือตัณหาอันนําให้มีพบใหม่ประกอบด้วยนันทิราคะครุ่นใคร่ฝ่ายหาในอารมณ์นั้นๆ ได้แก่กามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาภิกษุทั้งหลายนียเรียกว่าทุกขะสมุ ท, ทยัยภิกษุทั้งหลายก็ทุกขานิโรธเป็นไฉนคือความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั่นแหละความสละความไถ่ถอนเสียได้ความหลุดพ้นความไม่ติดค้าง ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขานิโรธภิกษุทั้งหลายก็ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเป็นชนะันคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8ดนี้กล่าวคือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขนิโรธคขามินีปฏิปทา สำหรับหัวข้อนี้มีอีกสองสูตรมีคําว่าอริยสัจต่อท้ายทุกข้อและอีกแห่งหนึ่งระบุว่าทุกขอริยสัจพึงกล่าวว่าคืออายตนะภายในหกเมื่อเทียบตามพุทธพจน์นี้แล้วทําให้มองได้ว่าที่ตรัสในปฐมเทศนาเป็นต้นว่านั่นก็เป็นทุกขนี่ก็เป็นทุกขมากหลายอย่างนั้น เป็นการยกสภาพต่างๆที่คนทั่วไปรู้เข้าใจพูดจานึกกันว่านั่นนั่นคือทุกเอามานํำความเข้าใจก่อนแล้วจึงมาถึงตัวสาระของความหมายที่แท้จริงคืออุปาทานขันห้าซึ่งถ้าพูดขึ้นมาเดี่ยวเดี่ยวทันทีคนทั่วไปซึ่งไม่มีพื้นความรู้จะไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว่าในกรณีอื่น หรือในการทรงแสดงธรรมครั้งอื่นบางครั้งพระพุทธเจ้าอาจทรงยกตัวอย่างทุกข์หรือปัญหาของมนุษย์อย่างอื่นๆมาแสดงว่าเป็นทุกข์หรือสำหรับคนทั่วไปไม่ว่าเขาจะพูดถึงนึกถึงทุกข์นึกถึงปัญหาอะไรของคนก็ว่ากันไปสุดแต่จะนึกขึ้นมาแต่ในที่สุดก็มาถึงตัวจริงที่ทรงชี้ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้น ก็อยู่ที่อุปาทานขันห้าอันนี้เองคงจะเป็นอย่างที่ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในข้อที่เราบัญญัติว่านี้เป็นทุกขอริยสัตมนั้นมีอัคระนับปริมาณมิได้มีพยัญชนะนับปริมาณมิได้มีคำชี้แจงแสดงไขนับปริมาณมิได้ว่าทุกขอริยสัตตนี้คือแม้ดังนี้ดังนี้ ละจนถึงในข้อที่เราบัญญัติว่านี้เป็นทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้นมีอัคระนับปริมาณมิได้มีพยัญชนะนับปริมาณมิได้มีคำชี้แจงแสดงไขนับปริมาณมิได้ว่าทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้คือแม้ดังนี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงทาความเพียร เพื่อรู้ตามเป็นจริงว่านี้ทุกละจนถึงนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาพุทธพจน์นี้เท่ากับย้ำเตือนให้มองกว้างออกไปว่าดังที่รู้กันอยู่แล้วหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนก็รวมลงได้ในอริยสัจสี่นี้แม้บางครั้งคำสอนนั้น จะไม่ได้ออกชื่ออริยสั์ชัดออกมาแต่ก็เห็นได้ว่าอยู่ในอริยสั์นั่นเองอย่างพุทธพจน์ตอนหนึ่งที่จะคัดมาให้ดูจากจุลทุกขคันทสูตรต่อไปนี้แสดงถึงปัญหาโทษภัยความทุกข์ที่เกิดจากกรรมก็คือจาักกรรมมติหารพร้อมทั้งการปฏิบัติที่เป็นขั้นตอนหนึ่งของอริยมรรคสู่ผลที่เป็นกุศลในระดับหนึ่ง แห่งการก้าวไปสู่นิโรธขั้นสุดท้ายขอคัดมาประกอบความเข้าใจในทุกขอริยศสัตว์ดังนี้ดูก่อนมหานามะแม้เราก่อนแต่สามโพธิเมื่ อ, อยังเมตตาสรู้เป็นโพธิสัตว์อยู่ก็มองเห็นเป็นอย่างดีด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า การให้ความหวานชื่นน้อยมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในการมนี้ยิ่งนักดังนี้แต่เรายังไม่ได้ประสบปีติและความสุขนอกเหนือจากกรมนอกเหนืออกุศลธรรมหรือประสบกุศลธรรมอื่นที่สงบซึ้งยิ่งกว่านั้นเราก็ยังปฏิ ญ, ญาณไม่ได้ก่อนว่าเป็นผู้ไม่วกเวียนมาหากรม แต่เมื่อใดเรามองเห็นเป็นอย่างดีด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงอย่างนี้ว่ากามให้ความหวานชื่นน้อยมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในกามนี้ยิ่งนักดังนี้แล้วเราก็ได้ประสบปีติและความสุขนอกเหนือจากกามนอกเหนือจากอากุศลธรรมกับทั้งได้ประสบกุศลธรรมอื่นที่สงบซึ้งยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณด้วยว่าเป็นผู้ไม่วกเวียนมหากามดูก่อนมหานามะก็อะไรเล่าเป็นคุณคือความหวานชื่นหรือข้อดีของกามทั้งหลายดูก่อนมหานามะกามคุณห้าประการนี้ห้าประการเป็นชนหนคือรูปที่พึงรู้ด้วยตา อันน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจชวนรักชวนใกล่หน้าติดใจเสียงที่พึงรู้ด้วยหูกลิ่นที่พึงรู้ด้วยจมูกรสที่พึงรู้ด้วยลิ้นผลทัพพระที่พึงรู้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่หน้าพอใจชวนรักชวนใคร่หน้าติดใจดูก่อนมหานามะเหล่านี้แลคือการมคุณห้าประการ ความสุขความสมนัสใดอาศัยกามาคุณห้าเหล่านี้เกิดขึ้นนี่คือคุณของกามทั้งหลายดูก่อนมหานามะก็อะไรเล่าเป็นโทษคือข้อเสียหรือจุดอ่อนของกามทั้งหลายกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยศิลปะสถานใดจะด้วยการนับคะแนนก็ดีโดวยวิชาคำนวณก็ดี ด้วยวิชาประเมินก็ดีด้วยกสิกรรมก็ดีด้วยการค้าขายก็ดีด้วยการเลี้ยงโคก็ดีด้วยวิชาแม่นธนูก็ดีด้วยการเป็นราชบุรุษก็ดีด้วยศิลปะอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีต้องหน้าสู้หนาวต้องหน้าสู้ร้อนถูกสัมผัสตแต่เหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานรบกวนหิวกระหายเจียนตายดูก่อนมหานามะ แม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัวมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นเองดูก่อนมหานามะถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นทั้งที่ขยันเอาการเอางานพยายามอยู่อย่างนี้โภคะเหล่านั้นก็ไม่สำเร็จผล เขาย่อมเศร้าโศกฟูมฟายพิไรร่ำตีอกคร่ำครวนถึงความฟั่นเฟือนเลื่นหลงว่าความขยันของเราสูญเปล่าเสียแล้วหนอความพยายามของเราไม่ออกผลเลยหนอดูก่อนมหานามะแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัวเกิดเพราะเหตุแห่งกรมทั้งหลายนั่นเอง ดูก่อนมหานามะถ้าเมื่อคุณระบุนั้นขยันเอาการเอางานพยายามอยู่อย่างนี้โภคะเหล่านั้นสำเร็จผลการคอยรักษาโภคะเหล่านั้นก็เป็นตัวบังคับให้เขากลับสวยความทุกข์ยากไม่สบายใจว่าทำอย่างไรราชาทั้งหลายจะไม่พึงริบเอาโภคะของเราไปเสียพวกโจรจะไม่มาปล้นไฟจะไม่ไหม น้ำจะไม่พัดพาเอาไปทายาทอปรีจะไม่เอาไปผลานเสียเมื่อกุลบุตรนั้นคอยรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้ราชาทั้งหลายริบเอาโภคะเหล่า น, นั้นไปเสียก็ดีโจรมาปล้นเอาไปเสียก็ดีไฟไหม้เสียก็ดีน้ำพัดพาไปเสียก็ดีทายาทอปรีเอาไปผลานเสียก็ดีเขายอมเศร้าโศกฟูมฟายพิรร่ำตีอกกล้ามรวญ ถึงความฟั่นเฟือนเลื่อนหลงว่าสิ่งที่เราเคยมีเป็นของเราเราก็ไม่มีไม่เป็นของเราซิแล้วดูก่อนมหานามะแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัวเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นเองดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งเพราะ ก, กามเป็นเหตุ เพราะการเป็นต้นเขาเพราะการเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายนั่นและแม้ราชาทั้งหลายก็วิวาสกับพวกราชาแม้พวกกษัตริย์ก็วิวาสกับพวกกษัตริย์แม้พวกพราหมณ์ก็วิวาสกับพวกพราหมณ์แม้พวกข้ารหาบดีก็วิวาสกับพวกคฤหาบดีแม้มารดาก็วิวาสกับบุตรแม้บุตรก็วิวาสกับมารดาแม้บิดาก็วิวาสกับบุตร แม si ่บ <í> ุตรก็วิวาสกับบิดาแม้พี่ชายน้องชายก็วิวาสกับพี่ชายน้องชายแม้พี่สาวน้องสาวก็วิวาสกับพี่สาวน้องสาวแม้พี่ชายน้องชายก็วิวาสกับพี่สาวน้องสาวแม้เพื่อนก็วิวาสกับเพื่อนคนเหล่านั้นพากันทะเลาะแก่งแย่งวิวาสกันในที่นั้นๆทำร้ายซึ่งกันและกันด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้าง ด้วยท่อนไม้บ้างด้วยศาสตราบ้างถึงความตายไปตรงที่นั้นบ้างถึงทุกปางตายบ้างดูก่อนมหานามะแม้ น, นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัวดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งเพราะกามเป็นเหตุเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นแล ปุงชนต่างถือดาบและโล่ผูกสอดแรลงธนูวิ่งเข้าสู่สงครามทั้งสองฝ่ายเข้ารมรันพันตูเมื่อลูกศรทั้งหลายถูกยิงไปบ้างเมื่อหอกทั้งหลายถูกพุ่งไปบ้างเมื่อดาบทั้งหลายถูกกวัดแกงอยู่บ้างปุงชนเหล่านั้นบางถูกลูกศรเสียบบางถูกหอกแทงบางถูกดาบตัดศีรษะพากันถึงตายไปตรงนั้นบ้างถึงทุกปางตายบ้าง ดูก่อนมหานามะแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัวเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายนั่นเองดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งเพราะกรรมเป็นเหตุเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นแหละปุ่งชนถือดาบและโล่ผูกสอดแร่งธนูกลูกันเข้าไปสู่เชิงกำแพงที่ฉาบด้วยเปลือกต้มร้อน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 เป็นกองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัวเกิดเพราะเหตุแห่งกรมทั้งหลายนั่นเอง